Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. <coughs> Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. Jitte. Sankilite KILITTE THUKHATI PATI KANGKHA ZITTE ASANG KILITTE SUKHATI PATI PALIYA YATSA ATHO SA THA SE KACHANG THAMMO SO TAMBO TIK จักได้น้อมเอาธรรมะของสมเด็จพระ ในในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเรา เรามีศรัทธาเราต้อง NT หรือองค์การ TOT อันก่อน แล้วก็ทอดกฐินสามัคคีในที่ๆแล้วก็วันค้ายวันสวรรณาโคตรของ ทรงออกพรรษาหมาย 3 เดือนไตรมาสเพื่อศึกษาธรรมและวินัยเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะ มีพระสาวกทําเป็นตัวอย่างดังนั้นวันออกพรรษาจึงเป็นวันปวารณา จาริกไปในที่ต่างๆเพื่อเจริญสมณธรรมหลัง 8 เป็นวัน เสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ที่ประตูเมืองสังฆัตสนครแล้วก็มีการประกาศเทโวก็เทโวโลหนะต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงโลก พระสัตว์ดอกนั้นได้ก็ได้เห็นเทวดาและมนุษย์ส่วนเทวดา เพราะฉะนั้นการตกนรก ที่จํากัดในอิสระเนี่ยเนี่ยเป็นวัน พระโสดาบันก็จะไปเกิดในชั้น เราจะปฏิบัติได้ง่ายๆถ้าทําความเข้าใจในว่าจิตเตสังคิลิเตทุกขติ เมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันต้องหวังกิฏเตอสังขิเตสุขติปฏิกันข้าเมื่อจิตไม่เศร้า มีภาระมีทั้งนั้นการบริหารครอบครัวมีภาระในการ จิตเบิกบานจิตเกิดจิตเกิดปิติธรรมนะ 2 ข้อนี้มันเกิดขึ้นได้ ทั้งได้ฐานะเป็นผู้ที่ได้สนทนาปะสายเรื่องธรรมะก็เกิดมีความคุ้นเคยวิสสาสา ในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นปิติธรรมและปาโมทย์ธรรมเกิดเมื่อมา เนี่ยเวลาแกะปิ๊ดทํา แต่เมื่อพบแล้วปิติปราโมทย์เกิดขึ้นวาบ เทอเรบพบครูบาอาจารย์ในโอบอาปาไสใต้ถามทุกข์สุขเรียนถามธรรมะเนี่ยมัน ตําแหน่งจิตเศร้าหมองคนมีจิตเศร้าหมองมันก็มีกนไปแต่ความทุกข์กนไปแต่ความเศร้า จิตเตอสังขลิเทสุคติปาติกังขังปิติธรรม ได้จะจบชีวิตจากโลกนี้ภาวะกรรมเกิดขึ้นมานั้นมันก็จะเราทําอะไรไว้ก็จะมา คือจิตนิ่งจิตนิ่งจิตเข้าไปสู่ องค์ประกอบเกิดขึ้นก็เป็นอุปายอ่าปุคคหะนิมิตจนกระทั่งจิตเข้าถึงฌานก็เป็นปฏิภาคคนิมิตนี่เขาว่าจิตปรุงใสเนาะถ้าเราประพฤติ ทำไปทํามาแล้วมันก็จะทําให้เรา มีสติตื่นตัวสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเกิดขึ้นกับตัวเราตัวรู้อยู่ ร่วมกับปาปะหรือบาปอกุศลปาปธรรมเหล่านั้นที่มันจะเป็นอะไรก็ดี เข้ามาแทนคือมีการภาวนาหรือมีการปฏิบัติธรรมมันก็ ปาปกรรมหรือว่าปาปธรรมเหล่านั้นเข้ามาบางคราวบางคราว สวดภาวนายังไม่เพียงพอ แล้ว 5 พลัง 5 มีสติเป็นตัวตั้งทั้งนั้นมรรค ถึงแม้ว่าเราทําบุญอยู่ยัง แต่ระบุคนใดเป็นพระโสดาบันจะปรารถนาสวรรค์ทั้งทั้ง 6 ชั้นนั้น ตามปกรณ์ต่างๆตามที่พระอรหันต์ นั่นคืออะไรคืออะไรก็พิจารณาสัพพสัตสัพพธาตุต่างๆที่มันรวมตัวกันอยู่ โคนหัวออกไปแล้วไปกองไว้ขนฟันก็เอาไปฟันหนังแต่มันมารวมกันเราเรียกว่าคนนี่เราเลยเราเราไปติดอยู่ ว่าถ้าแยกออกไปแล้วไม่มีตัวเป็นตนถ้าแยกออกไปแล้วมันหนีไม่เรียกเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกประยางนั้นแยกแยะทีนี้ไม่ หลังจากเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิให้จิตสงบให้ ธาตุไฟธาตุไฟมากก็ดูว่าร้อนขณะที่เป็น ปวดหัวเข่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะปวดหัวเข่าก็พิจารณาความ สมัยสาวสมัยหนุ่มมีกำลังมาสมัยวัยแก่ก็กำลังก็เห็นสภาพอย่างนี้ก็มาพิจารณา เรื่องมันเกิดขึ้นเราพิจารณามันเกิดขึ้นมันเสงสว่างแห่งอริยมรรคเข้ามาถึงหนึ่งแล้วเราเห็นด้วยตัว ก็มาตีแตกใน Donc มันจะสอนให้ อุปนิสัยของแต่ละคนสั่งสมมาก็ไม่เหมือนกันจะเอาไปมากๆถ้าไปถึงฌานเราเค้าเรียกว่า ไม่ไม่หลับรู้อันใดอยู่ได้ตามแรงปรารถนา 3ๆก็แบบ ทอดจิตออกจากที่จิตเค้าไปถึงอุปเอทถึงอัปปนาสมาธิทอดออกไปไม่ให้ของผลของการเวลาก็ อริยามรรคอริยตผลให้เกิดแก่เราก็มาพิจารณาสังขารร่างกาย กะดันที่เราไปแสวงบุญในสังคูทวิตนั้นแหละเราก็ไปในที่ชั่วที่ ก็คือจิตสาดเมื่อมันแล้วมันก็แต่ในทางที่ดีคิดก็ดีคิดก็คิดก็บริสุทธิ์กล่าวคือกล่าวเป็นธรรมะคือกล่าวก็มาแล้วที เราไม่ต้องเรารักษาสภาพนภาพของเราให้ดีไม่ยินดี ตามข่าวตามตามพันปีสืบทอดกันมาให้ ด้วยการพิจารณากายแล้วคิดทร้องออกว่ากายก็สัตตวะอยอย 9 อย่างหนึ่งที่จะ แต่เราได้ปฏิบัติธรรมนั่งประวัณนาปฏิบัติธรรมให้จิตสงบอยู่ ในการปฏิบัติเมื่อเข้าถึงจุดนั้นธรรมธรรมของพระ โอมันทําดีเรียกว่า ปัลลมัฏฐธรรมไม่ต้องมีธรรมอะไรให้ยุ่งยึดด้วย ความสงสัยในบาปบุญควบคลุมมันค่อยๆลดไปมันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่ใจข้อข้อที่ 3 นะ สpoi ขจัดปัดเป่าได้จริงก็ไม่ใช่ธรรมชาติบังเกิดของมันเอง ก็เป็นได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวอนุภาพ 3 จุดนี้ 3 จุดนี้สักกายทิฐิ ที่ชัดลงไปถึงร่างกายของเรา แล้วก็เมื่อขันธ์อะไรทั้งนั้นมันออกมา ศรัทธาอันยิ่งจวดศรัทธาในการที่เราได้รู้ได้เห็นก็เกิดเป็นอจลศรัทธาทําจิตให้ปราโมทย์ สุขกติก็ไปรำด้้มหวังอยู่ในโลกนี้ก็มี ที่พิจารณาปฏิบัติธรรมทํามีพลังเสียก่อนเพราะฉะนั้นอาตมาไปณที่ใดก็ โยมจะพุทธิปฏิบัติอยู่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ เพราะว่าบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อเงินก็ไม่ตรง ไม่ได้ทั่วไปทั่วไปอย่างเส้นเรื่องเกี่ยวข้องกับพระก่อนเข้าบรรพชา โลกใหม่นี้ประสบไปเทคโนโลยีอีกถ้าเรานํามาใช้ให้เป็นประโยชน์เรา เศร้าหมองไปสู่ทุกข์กติจิตไม่เศร้าหมองไปสู่สุขกติทําอย่างไรให้จิตไม่เศร้าหมองคือการมาทําภาวนานั่งสมาธิ เป็นพระสุปปฏิปันโนธาตุไอ้อัตถิ ก่อนที่จะพิจารณาที่จะพิจารณามันก็ต้องทําจิตให้ จิตของเราสบายนั่นแหละนั่งไปแล้วจิตมันสบายมันเบิกบานเกิดปิติธรรมนั่นแหละอันนี้แหละจึงเรียกว่า แนะนำญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมทําบุญทําทานเป็นสะพานบุญที่ก็ได้เป็นได้บุญได้กุศลไป บุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากการ ขอให้อำนาจของพระพุทธธรรมบสัง